หากเรายังไม่รู้สิ่งที่สมมุติจะเกิดขึ้นว่าเราตายด้านเราตายด้านมันด้านการศึกษาธรรมะนี้ดูปรากว่าเมีมากที่สุดแต่ว่าศึกษาไปเท่าใดก็ยิ่งสงสัยขึ้นมาเท่านั้นเป็นความสงสัยเนี่ยเป็นความทุกข์มทุกข์ถ้าหากคนที่ไม่สลาดกับคนงโง่เป็นคําเดียวคน คนที่ไม่สลาดก็เลยไม่รู้อันนั้นแหละทุกคนโง <bor> ่ก็เช่นเดียวกันคนโง่ก็ไม่ไม่รู้นั่นแหละจริงๆทุกคนยานั่นคนสลาดแบบนี้รับคนมีปัญญาแบบคนสลาดกับคนรู้คนมีปัญญากับคนรู้ อ, อย่างนั้นไปเปิดอบรมที่ไหนที่ไหนมักมีคนถามพ่อมีคนถามบ่อยๆ แต่ละวันละวันนี่ไม่เว้นวันเลยถ้าไปในสำแนักปฏิบัติธรรมแล้วต้องมีคนถามอะไรคือรูปอะไรคือน้ำอะไรรูปธรรมอะไรน้ำธรรมถามจนตายถามจนตายถามคนนี้สงสัยแล้วคนนั้นตอบปัญหาให้ไปถามคนนั้นอีกแล้วคนนั้นตอบปัญหาให้ถามจนตายไม่รู้จะรู้ได้ทําไม หลวงพ่อเคยพูดให้ฟังแล้วรรมะจะรู้ลงหน้าไม่ได้จะรู้เพราะการคาดคิดไม่ได้จะรู้เพราะเรียนหนังสือไม่ได้จะรู้เพราะว่าเราไปอ่านหนังสือไปถามคนนั้นคนนี้จดต่ำมไม่ได้ไม่ได้โดยเด็ดขาดที่หลวงพ่อพูดนี้ทําไมหลวงพ่อพูดแต่กลมเก่าอย่างนี้กลมใหม่ไม่มีหรือหลวงพ่ออาจจะมีคนสงสัยขึ้นองบางอย่าก็ได้ ก็พูดความเก่านี่แหละให้ฟังแต่มันก็ยังไม่รู้เพราะทำมาเป็นของเดิมแท้ของเก่าจริงๆที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วท่านนามาสอนสอนความเก่านั่นแหละแต่มันไม่รู้ไม่รู้เพราะเรื่องอะไรไม่รู้เพราะมันไม่สนใจมันสนใจในการพูดการคุยกันเรารู้อย่างนั้นเรารู้อย่างนี้รู้อย่างนั้นก็นรู้แต่มันรู้เข้า มันรูเข้าไปไม่ใช่รู้ออกมันรูเข้าคมรู้จึงได้มีหกระดับด้วยกันหลวงพ่อเคยพูดให้ฟังว่ารู้รู้จักรู้จำรู้จักมาจากคนอื่นรู้จำเป้าหูได้ฟังรู้แจ้งรู้จริงรูเข้าบปเนี่รู้แล้วเข้าไปในคมรูอีกแล้วอันนั้นเขาเรียกว่าวิปัตนุรูออกไปเนี่ยรูออกจากคมรูของวิปัตนุ ดังนั้นที่นํามาเแล้วให้ความควบคมจริงใจเพราะว่าเวลาเราน้อยที่หลวงพ่อมาพูดข่าวนีน้คือว่านอกเหนือจากทางของแพทย์ไปแล้วแพทย์เขารักษาตัวหลวงพ่อที่เขาไม่ให้หลวงพ่อปลูกคือให้เขาถนอมตัวเพราะว่า โ, โรคหลวงพ่อจะกำเริบเลวเพราะว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องของหมอของแพทย์หลวงพ่อหน้าสงสามหน้าโทเลข ทำไมคนนี่เป็นอย่างนั้นพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกทําไมไม่เข้าใจพอคิดอย่างนี้นึออเอ๊มนุษย์เอ๊ธรรมดาคนนี่เป็นอย่างนี้น้ อ, พพ อ, ไมไม อ, องพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนวัวสี่ เ, เหล่าเหลานึ่งมันอยู่ใต้ดินยังเป็นตุ่มอยู่ใต้ดินเหลานึ่งขึ้นมาเพิ่องกลางน้ํเาเหลานึ่งขึ้นมาพ้นน้ำํำดาวที่สองคอยนะรับระดับคนมีปัญญานะ่ะคอยสัง และกับปฏิบัติตาคนบางคนยังไม่ได้มีปัญญาพออาศัยการฟังหลายเพื่อหลายครั้งหลายหนแล้วก็จําได้โอ้ท่านพูดอย่างนั้นนําไปปฏิบัติที่อยู่ในน้ํานั่นอะยังเป็นอาหารของตับบางทีที่ตุ่มอยู่ในน้ําอะยังเป็นอาหารต บ, บางที่อาจจะออกมาไม่ได้คนเราก็มีหลายระดับเึ้นเดี ทีหลวงพ่อมาพูดเนี่ยคือพูดทุกคนจริงจัดหลวงพ่อคิดว่าแต่ละครั้งละคหนเนี่ยหลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ยืมเอาคําพูดของพระพุทธเจ้ามาพูดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียเกิดในประเทศอินเดียหลวงพ่อเขียนหนังสือไม่เป็นอ่านหนังสืออ่าไม่ได้เขีงสือไม่เปเพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนภาษาอินเดีย และไม่ได้เข้าโรงเรียนก็เลยเขียนหนังสือไม่เป็มอ่านหนังสือไม่เต็เราจะเอาคาพูดความรู้ความเข้าใจความสัมผัสของเรามีเราเป็นยี่แหลออกมาเผยแร่เพื่อให้คนรู้จักคำพูดอันนี้ได้มาจากที่ไหนได้มาเพราะการปฏิบัติธรรมการเจริญสติคุณค่าของการเจริญสติดีมีมาก จะเทียบเป็นเงินอัตราเงินทองไม่ได้จะเทียบเป็นเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่ได้เนือจะเทียบกับบุคคลที่เรียนความรู้มาแล้วได้ทางโลกเลกรียกว่าปิยาชั้นปัญญาเนี่ยปริยาในคำว่าสั้นปัญญาแล้วปริยาตีปริยาโธปริยาเอกนั่นเอาไปซื้ออันนี้ไม่ได้และผู้ที่เคยบวชเรียนเขียนอ่าน <c oughs> นักทำเตโชเอกจนเป็นมหาปเรียนอันนี้ก็ออกไปแลกกับความรู้ที่การเจริญสติไม่ได้จะไปเทียบกันไม่ได้โดยเด็ดขาดจะเทียบได้แต่เฉพาะผู้ที่จเจริญสติจเจริญปัญญาเพื่อให้เกิดสติเกิดปัญญาจริงๆดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงอุทานเอาไว้ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็เห็นพระพุทธเจ้าหรือพระตถามคด ผู้ใดไม่เห็นธรรมคนนั้นกดซืยไว้ไม่เห็นพระพุทธเจ้าไม่เห็นพระธรราคตอยู่ใกล้ถนาดไหนก็ไม่เห็นเลยเพราะไม่รู้ธรรมะเพราะไม่รู้ความหมายมันก็เลยรู้ไม่ได้ดังนั้นคำพูดเนี่ยไม่ได้ไปจําเอาจากตัวหนังสือและไม่ต้องแปลหลวงพ่อเป็นคนไทยเกิดในเมืองไทยพูดภาษาไทยแท้ๆก็ยังไม่รู้ แล้วเราจะไปมัวแปลเอาภาษาบาลีมาพูดให้คนไทยฟังมันก็ยิ่งไม่รู้ตอนนี้ขอพูดย้ำอีกพักหนึ่งบางคนอาจจะมีข้อสงสัยว่าทำไมไม่พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจะเป็นการทำลายพระพุทธเจ้าไป็นลมังเป็นมิจฉาทิถีเป็นลมังถูกเพราะบุคคลพูดเช่นนั้นเขาคิดอย่างนั้นเราลองคิดดู มาที่นี่อายุไม่เกินหกสิบปีเจ็ดสิบปีไม่เกินอยู่ในระดับนั้นแล้วพ่อของเธอสอนคําแรกที่สุดสอนอยังไงอยู่ที่ไหนท่านนั่งหรือนอนกำลังทําอะไรบ้างท่านสอนจําได้ไหมรลบรองไม่มีคนใดจําได้เราก็เคยถามมาแล้วยางน้อยเป็นพันพันคนไม่มีใครจำได้ทั้งหมด อายุเพียง20ปี25 16ปีให่จำไม่ได้จาไม่ได้แม่ทอนเธอคำแรกสอนอยู่ที่ไหนจาได้ไหมจไม่ได้พูดเรื่องอะไรจาไม่ได้แล้วเธอเป็นคนโง่หรือเป็นคนสลาบถ้าพูดอย่างนี้ก็ถามตัวเองบ้างพราะพระเจ้าตายไปแล้วไม่กี่วันมีทิษสุองค์หนึ่งจ่วงจ่าต่อพระธรรมวินยัยได้ทำสังคาญย่างไรเคลื่อนครั้งแรก คนมีปัญญารู้ทันทีคนที่ไม่มีปัญญาก็ยังไม่รู้วันนี้สังขัญญาครั้งที่สองก็เช่นเดียวกันจนสุดท้ายสังขัญญาครั้งที่ห้าพระพรุทธเจ้าพรินิพานตายหรือสวรรคตเยว่าอย่างก็ได้ได้สี่รอยกว่าปีแล้วแล้วาจาได้ไหมเอ้เรามาคิดดูแล้วอายุเราเพียงสามสิบปีนี่พ่อแม่เราสอนทําไมจําไม่ได้ อันนั้นพระพุทธตายไปแล้วตั้งหลายร้อยปีทำไมคนที่ซื่อทอดมันจะจำได้ทุกคำได้ไม่ได้คนเข้าใจอย่างนี้มีน้อยคนที่ไม่เข้าใจมีมากเรื่องนี้อย่างนั้นพวกเรามาที่นี่มาปฏิบัติที่นี่อาจจะมาก็พูดให้ความจริงใจเรามาศึกษามาปฏิบัติตัวเองอย่าเป็นคนลืมตัว ในขณะที่พูดที่คุยนะ่ะลืมตัวแล้วอาตมาก็เคยเป็นเช่นนั้นมาไม่น้อยตั้งแต่อายุส1บเอ็ดปีมาจนถึงอายุสี่สิบหกปีมักลืมตัวมากที่สุดโดยแต่ละวันเนี่ยจะรู้สึกตัวมีน้อยไม่ถึงสิบครั้งตัวเองบัดนี้ก็วกเข้ามาเรื่องการปฏิบัติการปฏิบัติก็เช่นเดียวกัน ไปนั่งสร้างจังหวะเดินจมกลมบางคนพูดคุยกันคําปากคําพูดคุยกันมือก็ทำไปเยอะทําจนตายตมีประโยชน์น้อยที่สุดเดินจงค ม, มจนเท่าแตะก็เดินจนตายนั่นแหละเพราะว่าคําพูดจิตใจมันไปจดจอ่ออยู่ในคําพูดคุยกันอันนั้นเสืียผิดทางแล้วไม่สมวนตัวเองแล้วให้เขา้าใจอย่างนี้ถึงว่าพูดนี่ไม่ใช่สอน พูดให้ฟังตัวจำไมยเองไปปฏิบัติธรรมะขั้นแรกที่สุดมีพระจำนวนยี่สิบสามลูกเลในโยมห้าคนเป็นปฏิบัติในสำหนักนั้นมีพระองค์หนึ่งเป็นพระคูอายุพรรษาโดยมีสามสิบกว่าพรรษาตีตะปูทั้งวันเดี๋ยวก็ไปคุยคนนั้นเดี๋ยวไปคุยคนนี้เที่ยวสอนคน ตัวเองเนี่ยยังไม่เข้าใจวัดสอนเรื่องอะไรไม่รู้แล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งแต่เป็นรุ่นพี่อาตมารู้จักวิธีการทํามาหากินของเพื่อนคนนี้ลักลักไม่ใช่ลักอย่างที่ลักคนหนุ่มคนสาวลักอาตมาจะมา่มักชอบเขาเพราะเขาแนะนําให้รู้จักวิธีทํามาหากินการซื้อการขาย บุญคุณเขามีมากเมื่อไปปฏิบัติธรรมก็ไปด้วยกันอีกแต่แล้วเพราะว่าชอบกันเดี๋ยวก็มาสวนคุยสองวันสามคุแย่อย่างนี้อาตมาคนนี้ในสมัยนั้นมันปลกกุตติอยู่ในทุ่งนาไม่มีลมไม้เลยเขาต้องผ้าปลกหนวกไปเดินอยู่คนนั่กนก็มามาก็มานั่งอยู่ที่นั่นบันไดคอยให้อาตมาไปหาแต่มาไม่เข้าไป ไม่เกินสามสี่วันะก็หายหน้าไปเลยหาว่าอาจมานี่ไม่พอใจแต่ไม่ได้คุยกันเต็ดคิดเจ้าเอาเองพอดีออกมาแล้วท่านก็ไม่อยากพูดด้วยเพราะว่าท่านยังมีความซ้ำใจมาไม่พูดไม่คุยอพรานั้นเสื้ออูปาทานยึดมั่นถือมั่นถ้าไปมัวพูดมัวคุยกทําจนตายไ ม, ม่ดังนั้นจำนวน2ี่สิบสามลูกแล้วก็ห้าคนรู้เปนคนละเรื่อง บางคนรู้ไปใต้น้ณเป็นอุ้มรุ่งใต้น้านี่เป็นอุ้มรุ่งก้มๆหลงังคนบางคนคนรู้ไปทางมถหิมิตรทายเป็นในทองมหาสมุทรรู้ไปอย่างนั้นบางคนคนรู้ไปเมืองสวรรค์พุ่นไปถึงอินถึงผมุบางคนคนรู้ไปถึงนรกพุ่นความรู้อันนั้นเห็นไหมพิสูจน์ได้ไหมถ้าไม่เห็นไม่พิสูจน์ได้อันนั้นจึงว่าคนหลง หลงแล้วไม่เห็นตัวเองแล้วอาตมาไม่เป็นอย่างนั้นอาตมารู้ตัวเองกําลังพูดกําลังคุยกําลังคิดอาตมารู้อย่างนี้รู้อย่างในกอบไม่เหมือนกับคนอื่นคมรู้ไม่กม่วงหัวคมรูม้น้อยแต่แก้ปัญหาตัวเองได้มีหลายคนถามวิธีแก้ปัญหาคนนะครับอยพูดให้ฟัง มีคนมาถามคอยแก้ปัญหาคนเป็นยังไงเธอรู้ไหมเธอไม่รู้ถามจนตายก็ไม่รู้เพราะเธอไปคอยถามเอาความรู้ของคนนั้นคนนี้มาพูดเท่านั้นเธอไม่สนใจหาตัวเองอาจามาเคยแก้ปัญหาอย่างนี้และบางทีปฏิบัติธรรมะมีการสิ้นจบไหมจบถ้าไม่จบจะมาสอนทําไมมานต้องมีการสิ้นจบเราเคยได้ยินไหมพระพุทธเจ้าท่านว่า จิตหลุดพ้นแล้วย่อ ม, มนีจิตมาหลุดพ้นแล้วย่อมนีถ้าหากว่าเราไม่รู้จิตหลุดพ้นแล้วย่อมนีจะไปปฏิบัติธรรมไหมเพื่ออะไรเราต้องคิดอย่างนั้นนักปฏิบัติธรรมดังนั้นวันนี้ที่มานี่ไม่ใช่เป็นคนจังหวัดเลยทั้งหมดเราต้องคิดให้บันดีและไม่ใช่เป็นคนจังหวัอดอุดรขอนแกน่นทั้งหมดต้องคิดให้มันดี และแม้จะเป็นคนภากอีสานทั้งหมดคนภาคใต้ก็มีมาจากสงขาหาดใหญ่ก็มีมาจากภาคเหนือเชียงใหม่ก็มีลำปางก็มีม า, ากก ม, มาจากอุดรัขอนแก่นก็มีมาจากกรุงเทพก็มีคนจังหวัดเลยก็มีเราต้องคํานึงคํานวณเรามีผมลูกแค่ไหนสอนคนได้อย่างไรเราต้องพูดอย่างนี้ ที่นํามาพูดให้ฟังไม่ใช่มาโอ้หลวงพ่อนี่ตำหนิแล้วไม่ใช่ตาหนิเตือนเป็นการเตือนไม่ใช่สอนเตือนพูดให้ฟังหลวงพ่อไม่คุยใครปฏิบัติลู้รู้จริงจริงหลวงพ่อเคยอุทานพูดกับเพื่อนๆและก็ยังมีคนเอาไปลงเป็นหมดทขอมเสียงเป็นหลายลัอักษรเอาไว้วันนี้ก็จะพูดอีกเช่นเดียวกัน การปฏิบัติธรรมแบบจเจริญสติปัะฐาสี่การเคลื่อนไหวให้ถูกต้องโดยติดต่อกันเหมือนลูกโซ่อย่างนานไม่เกินสามปีอย่างกลางหนึ่งปีอย่างเร็วที่สุดนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเก้าสิบวันอาเนสง่งไม่ต้องพูดบุคคล น, นั้นความทุกข์จำนวนร้อยเปอร์เซ็นจะลดน้อยลงมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นบางคนอาจจะหมด ก็ได้บางคนอาจจะมีเพียงสิบเปอร์เซ็นตอได้ น, นี่สำหรับตัวอาตมาไปปฏิบัติอาตมาก็เป็นโยมนุ่งกางเกงขาสั้นขายาวเสื้อแขนสั้นเสื้อแขนยาวธรรมะชนิดนี้ไม่กําหนดกฎเกณฑ์จะเป็นเด็กก็ปฏิบัติได้จะเป็นคนแก่ก็ปฏิบัติได้จะเป็นคนสลาก็ปฏิบัติได้เป็นพระภิกษุสรรมณะก็ปฏิบัติได้ ตนทราบไหนถือศาสนาอะไรนุ่งผ้าสีอะไรก็ตามไม่กำหนดกฎเกณฑ์ที่พูดนี้พูดด้วยความจริงใจพูดมากก็ไม่ค่อยดีหมอก็สั่งแล้วว่าตายนะแมันเป็นธรรมดาคนตายที่อาจมากล้าพูดนี่คือว่ายอมเสียทรัพย์เพราะรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต ยอมเสียแม้กระทั่งชีวิตหมอห้ามบอกว่าอย่าพูดพอยอมยอมตายพอคิดแล้วมนุษย์ตาดำดำด้วยกันทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมไปคิดอย่างนั้นเมื่อไหรจะศึกษาตัวเองคิดอย่างนั้นถึงล้มตายลงกระจาเป็นพราะนาอานาจใจมากเพราะว่าเห็นเพื่อนตาดำดำด้วยกันพูดแล้วก็อยากย้ําอีกพักหนึ่ง การมาปฏิบัติธรรมะครั้งนี้ไม่ใช่อวดดีเอาความจริงมาพูดให้ฟัง <c oughs> คนมีดีแล้วที่ออกมาพูดได้คนไม่มีต้องไปอาศัยคนนั้นพูดคนนี้พูดแต่จะมาพูดนี้เอาคํำพูดที่ปรากสเกิดขึ้นหรือมีเห็นเข้าใจสัมผัสได้อย่างนี้กล้ารับรองได้ว่าคนใดปฏิบัติต้องรู้อย่างนี้รู้อย่างอื่นนั้นแก่ทุกขไม่ได้ แก้ปัญหาตัวเองไม่ได้เลยไปตรงเอากับคํำพูดของพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียโอ้พระพุทธเจ้าสอนให้คนรู้ทุกเหตุให้เกิดทุกรู้จักสมุทฐานของทุกและกลาวิธีดับทุกให้เส้นลงท่านสอนสี่ข้อเรียกว่าสัด จ, จัดสี่ออย่างนี้ดังนั้นพวกเรามาปฏิบัติที่นี่เวลาน้อย เจ็วันบางคนก็เพิ่งมาบางคนก็มานานแล้วบางคนก็เรียนมาอย่างน้อยก็ต้องปอสี่จบอาจะมาไม่ได้เคยเรียนปอสี่เลยไม่เคยรู้เลยบางคนก็เรียนจบมัธยมบางคนก็เรียนจบมหาวิทยาลายัยคือปริญญาตรีโทเอกบางคนก็เรียนนักธรรมตรีโทเอกจบประโยคเก้าก็มีประโยคสามแล้วแจะใครจะเรียน แล้วทำไมพูดอย่างนั้นเป็นการทำลายคำสอนของพระพุทธเจ้าไปแล้วอันนี้แหละคำพูดอันนี้แหละที่นำมาฟื้นฟูให้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในจิตในใจของทุกคนพระพุทธเจ้าโยเท่ไหนพระพุทธเจ้าคือคนถ้าพูดกันเห็นนะ่ะให้เห็นนะตาดำๆเหมือนกันของเรานี่แหละพวกท่านทั้งหลายศึกษามามากแล้วว่า ธรรมะที่ทําให้พระพุทธเจ้านั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้ามีมาก่อนแล้วเราจึงบอกของเก่าพวกกับพูกคําเก่าแล้วก็เห็นไับเห็นของเก่าไม่ใช่เห็นของใหม่ถ้าไม่มีเราจะไปศึกษาได้ทําไมของมีแล้วอยู่ในเราทุกคนไม่ยกเว้น ดังนั้นใครต้องการอยากศึกษาปฏิบัติก็ต้องลงมือทําจริงอย่าไปมัวพูดมัวคุยกันอันพูดคุยกันนั้นไม่ใช่เป็นการทําลายเฉพาะตัวเองเป็นการทําลายคนอื่นอีกด้วยทําลายตัวเองยังไม่พอไปทําลายบุคคลที่ใกล้เคียงเลือดร้อนคนอื่นเขาไม่ต้องการพูดไม่ต้องการคุยทําไหมลราไปพูดไปคุยทั้งวันเพื่อนอาจจะมาเองไปงน็นยังไง อาตามาเห็นอย่างนี้โอ้คนนี้เป็นเช่นนี้เพราะเป็นสมบัติถ้าพูดจริงๆคําว่าสมบัติของคนฐานสมบัติของคนโง่เท่านั้นคนสลาดเขาพูดแต่ความจริงคนมีปัญญาเขาจะพูดแต่ความจริงสอนคนด้วยความจริงใจไม่ได้สอนเพื่ออุตริไม่ได้สอนเพื่อการทําลายวันนี้ที่อาตามาพูดนี่ก็เช่นเดียวกันไม่ได้สอนเพื่อทําลาย ไม่ใช่สอนเนี่ยพูดให้ฟังถ้าคนใดสนใจจริงๆแล้วปฏิบัติได้อาตาัตราเงินเดือนของคุณกี่ต่างพูดมาพันบาทปฏิบัติสารเดือนเอาให้เลยสามพันบาทการอาหารเรื่องกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงอา จ, จะมาเลียงได้ถ้าอาจาราเรงินเดือนสองพันบาทให้ไปหกพันบาทถ้าอาจารยเงินเดือนหมืน่นบาทให้สามพันบาทรับรองได้เขียนแค่นี้ปีหนึ่งรับรองไม่ได้ พ่อได้รับเงินจํานวนนี้มาจากคุณสุพลห้าหมื่นบาทคุณสุพลให้เงินมาห้าหมืนบาทพ่อแตมามีความสามารถอย่างนี้แล้วก็มีโยมอะไรโยมเจียงแหละที่มาที่นี่แหละพูดแต่เมื่ออยู่กรุงเทพให้มามื่นบาทก็มาสร้างเฉพาะบาราอุติบางเล็กน้อยแล้วก็คนอื่นให้มาคนละตะตงังสองตะตัเก็จไว้ แล้วก็จะมาซื้ออาหารเลียเ้ยงพระภิกษุจำเนรอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครแหละอยากขัดข้องกันรวมกันอ่ามีสตางค์หนึ่งก็รวมกันเป็นนํานึ่งใจเดียวกันแนนม่น้ําเข้าส้วมให้พลาดจับใหยคิดให้ดีอาหารการกินพระเนรที่นี่แหละจัดการกันเองเพราะสมบัติมีในที่นี้แต่ทรัพย์สมบัติอันนั้นเป็นของใครเป็นส่วนกลาง แล้วก็อาจมาลงความเห็นว่าทำอย่างนั้นเถอะก็เห็นด้วยกันแม้กระทั่งถ้วยจานกินแล้วก็ให้หนีเดินได้สบายพระเนรจิตไปให้เจ้าของคนที่มาเลี้ยงทำไปได้สบายทําไมไม่เห็นใจด้วยบ้างหรือเปล่าคิดให้บันดีแต่ละวั น, ละ ว, นละวันคิดงเป็นเงินกีตต่สตางค์ไม่ต้องคิดถึงพระเนรที่นี่พร้อมใจกันเพื่อจะสนับสนุนให้พวกเราทุกท่าน ได้เจริญสติอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้รู้สภาพภาวะของจิตใจของเราจริงจริงคนที่มาใหม่วัด น, นี้ฟังต้องพลิกมือขึ้นคว่ำมือลงช้าๆให้รู้ตัวเองให้รู้ลูกลูน้ำลูกอยู่ที่ไหนน้ำอยู่ที่ไหนเราจะรู้เองอย่าไปสนใจถามคนถามจนตายและไม่รู้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เข้าหูหัวทะลุหูซ้ายเพราะจิตใจบันมืดบอดจิตใจมันไม่สว่างเรียกวัวใต้น้ําถ้าเราโผขึ้นมาเหนือน้ําแล้วบัดเนี้ยมีคนพูดให้ฟังเราเคลื่นอนวัดตัวเหล่านี่เองเป็นลูกเป็นนามจะเข้าใจเองโดยไม่ต้องถามใครที่ไหนเลยเมื่อรู้จักรูกน้นามแล้วก็ต้องหลบรู้จักรูปธรรมนามธรรมธรรมมีอะไรบ้าง การทําดีบ้างทำชั่วบ้างมือทําด้วยกายบ้างทําด้วยวาจาบ้างทําด้วยใจบ้างการทำมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องถามใครแหละเรื่องนี้อาจจะมาไปปฏิบัติไม่ต้องถามใครอยู่ที่ไหนมีอาจารย์เอาไปถามเมื่อจบภักโต้นเรื่องเกิดปัญญาไม่ใช่จบแค่นี้นะพักโต้นอาจจะมาพูดให้ฟังหลายครั้งแล้วรู้จักรูปนาม ลูกทมนามทำลูกโลกนามโลกทุกขังอนิจจังอนัตตารู้ให้หมดทีเดียวแล้วก็รู้สมมติแมอจะสมมติอะไรก็รู้ให้หมดแล้วก็รู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้จริงๆริเมื่ออาจารย์เรียกไปถามถามท่านว่าโยมครับรู้อะไรบ้างรู้ตัวเองครับ เอ๊คนไม่รู้ตัวเองก็เหมือนกับคนตายแลย้วนโอกจริงครับผมเหมือนกับคนตายมาระยะเวลาหลังๆมาเนี่ยตือนแล้วดิครับเตือนทําไมก็รู้ตัวเองเนี่ยครับอออย่างนั้นหรือครับท่านเลยถามเกลือเค็มไหมเอ๊ะเกลือไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าเค็มความคือเอ๊ะทําไมเราเกลือไม่ไม่รู้ทําไมไม่เคยกินเกลือเคยกินแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เพราะเกลือไม่ได้อยู่ในดีนผมไม่รู้ครับ พุทบอกบ้าบอกบอกบอบ้ า, บ า, บ า, บาจริงจริงบ้าผมกับบาท่านไม่เหมือนกันมันต้องไปอย่างนี้แล้วท่านก็ถามมักพิษเผ็ดไหมเอ๊มักพิษก็ยังไม่เคยรู้ดิไม่เคยกินจรงเคยกินครับแต่มันไม่รู้เดี๋ยวดิมันไม่ดีดังนั้นการถามคนอื่นนั่นจึงควรมจบชิดไม่มีเพราะเราไม่รู้เนี่ยจะไปจบชินได้ทําไมท่านก็เลยวกเข้ามาถามดําอะไรดําเนือดําไปได้ไม่มีอะไรเลยครับ ดำก็สุดกับดำแดงก็สุดกับแดงการแก้ปัญหาอันนี้เป็นเพียงแก้เอาอนหลอดผมรู้สั่นี้นี้อาโจหลอดแต่ว่าแก้ได้เป็นบางอย่างคือแก้ได้โดยไม่ไหวผ้ผีไม่สุบุหรี่ขาวนั้นติดบุหรี่รู้จักทุกเกลื น, น้ำลายเป็นทุกหายใจเป็นทุกรับประทานอาหารเนี่ยเที่ยวข็าเป็นทุกรู้จักทุกจริง รู้จักจริงๆเลิกในขณะนั้นจริงๆข่าวนั้นติดบุรีอย่างหนักติดหนักคนสูบบุรีกายไปนี่ต้องทู้ก่อนมือที่มีแรงแต่บุรีมันก็มีแรงเนี่ยมันเป็นขนาดนั้นเนี่ยพวมซัวลายมันฝังมานานแล้วหรือว่ากิเลส ก, ก็ได้หรือว่าคนง้อ ก, ก็ได้หรือว่าอันธพานก็ได้หรือจะว่าอะไรได้ทั้งนั้น เราเคยได้ยินไหมอาเสบนาจะพร า, านาังปันติตานันจะเสบนาปูซาจัปูสานิญาณังเอตมังคลมุตมังเป็นมงคลอันยิ่งท่านสอนคำว่าอาเสบนาจะพร า, านาังเราไปพบคนทานเราไม่พบคนทานเราจะพบบัณฑิตคนทานที่ไปโกหกคนนั้นคนนีกินเหล้าเมาสุลาจานถนนหนทาง ถ้าสัตว์รักสัตวปุ้นที่อันนั้นเราเลิกได้ตึกใจเดียวเท่านั้นแต่คนทานเฉพาะในตัวเหานี่แหละมันเลิกยากลุกมันลุกด้วยนั่งมันนั่งด้วยนอนมันนอนด้วยไปไหนมันไปด้วยเนี่ยคนทานคนทานตัวนี้หน้าตาเป็นลักษณะไหนเห็นแล้วหรือยังไม่ตัวคนทานตัวนี้คือลืมตัวนั่นแหละคือโมหะนั่นแหละโมหะเข้าข้าขาอมองจิตใจ บัณฑิตานัญจาเขบรรณาปูชาจะปูานิยานังเราควรครบบัณฑิตบัณฑิตอยู่ที่ไหนผู้ท่านเรียนท่านศึกษาเราเรียนมาอย่างที่พระพุทธเจ้าเกิดในประเทศอินเดียเราจะเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในประเทศอินเดียเราอยู่เมืองไทยไม่มีสตางค์ก็ไปไม่ถึงเมื่อไปถึงแล้วพูดภาษาก็ไม่เปิดฟังไม่รู้เรื่องแต่เขา้าใจบัณฑิตที่จะนํามาไล่ฟันคือโยสถิต ตัวสมาธิตัวปัญญาแก้ปัญหาตัวเองได้อันนี้บัณฑิตแต่ไม่ตรงกับตำหนาผู้จะนั่งทาลายคาสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้แหละตัวสิแกลแท้แแท้ดังนั้นการศึกษาธรรมะแบบที่เจริญสติให้ติดต่อเนื่องเนี่ยมันค่อยๆมีอันดีและมีอันเลวไร้คนแต่เจออันดีเข้ามาอันเลวร้ก็แซงขึ้นมา พอดีรู้เรื่องศาสนาจบบาปบุญจบมันมีกรมรู้ชนิดหนึ่งแฝงแฝ ง, งขึ้นมาข่าวนั้นระยะนั้นพอปานอย่างที่เราสันเซาได้ระยะเดือนนี้สองโมงอาจจะมาเป็นโยมไปเทศให้เทวดาฟังพูดเป็นคนเดียวยนืนพูดเดินจมกรมไปข้างนั้นพูดให้เทวดาฟังเดินหันมาข้างนี้พูดให้ผีฟังไม่เห็นผีไม่เห็นเทวมันเลืม มันลืมสมมติไปเลย ม, มาเข้าในสภา น, นี้ว่าลู่ข้าไม่เคยลู่ออกลูข้า ว, ม, กออกาวมันเข้าไปในขคมคิดแล้วแต่สติปัญญาไม่แรงอาจจะมาเคยเปรียบให้ฟังว่าเหมือนกับหนูกับแมวแมวตัวเล็กเล็กหนูตัวมันโตพอดีหนูโผล่ออกมาแมวมันไม่เคยกลัวมันจับหนูหนูก็วิ่งไปแมวก็ติดหนูไปเนื้อแล้วก็วางหนูเตเนี่ยริ่มจะเห็นหกคิดมาแล้วนี่ เปรียบเทียบพ อ, อดีอย่าไปตำหนิแมวมึงทำไมไม่จับจับหนูไมนแังแรงนตัวเล็กมันจับแรงไม่ได้เราต้องให้อาหารแมวมากๆแมวมันกินข้าวมีอาหารดี๋ยวเดี๋ยวหนูมันก็นกโตเร็วเมื่อพอดีมันตัวขึ้นมาตัวมันโตมีกําลังแรงอย่างเต็มที่หนูออกมามันไม่เคยถัวจับปุ๊บทีเดียวหนูก็ดิบตัวไม่ได้ตายเลย วิธีปฏิบัติอันนี้ก็เช่นเดียวกันอุปมาให้ฟังหลายเรื่องคนเมาเหล้าอาจจะมาเคยเห็นแต่แต่ามาไม่เคยเมาขนาดไหนหเมาในน้อยถ้าเมาเพราะชอบดินเบียร์เบียร์เลยไม่เมามากเมาในน้อยพอซึมซึมดึงเอาเถอดลงน้องหรือเอาหรืออาใครก็ตามะ่ะถ้าเมาเหล้าจัดเลยเลิกเถิดไปนอนะกูไม่เมาไม่เมาถ้าหากว่าสํานึกได้ คนกำลังพูดกําลังคุยบ้าพูดบ้าคุยนี่แหละคนปฏิบัติธรรมะบ้าพูดบ้าคุยนี่แหละมันไม่รู้มันจะพูดเท่านั้นคือไม่ยอมศึกษาตัวเองให้สิ้นจุดมัวพูดมัวคุยหลงไหลในคําพูดตัวเองเขาบอกคนหลงพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้หลายเรื่องสมมุติให้ฟังแต่ไม่ใช่สอน พูดสู่กันฟังคนใดมีอะไรพยายามเลิกต้องศึกษาตัวเองจริงๆช่วงระยะเวลาใกล้นเมื่อแมวมีกำลังแล้วหนูออกมามจับปุ๊ได้อย่างไร